และการธรรมะก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาใบาบุญพระพิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอดองหารจังหวั ด, ดอุดรธานีมาพูดคุยเรื่องที่เป็นคําสอนของพุทธเจ้าโดยในคําสอนต่างๆที่พุทธเจ้าได้บอกสอนแยกแยะจําแนกแจกแจงเปิดเผยแต่งตั้งทําให้แจ้งทําไม่เป็นเหมือนกับการงา่ของที่คว่ำอยู่เนี่ยได้บอกเอาไว้แจกแจงไว้เนี่ย บางทีถ้าจิตของเรามันยังไม่เปิดรับในการที่จะทําความเข้าใจต่างๆได้นี่มันก็จะทําให้ยังไม่เข้าใจธรรมะแตคือเปิดอนะธรรมะเนี่ยเปิดอยู่ลนะเนี่เพราะว่าต้องเปิดเผยบปางหนึ่งจะเจริญแต่ถ้าจิตใจของเรายังไม่เปิดรับเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจเอาแค่ว่าแค่คําเดียวนเนี่ยอย่างที่ท่านพระอาชาชบอกก็ท่านภาษาริบุตรแค่ประโยคเดียวแค่ประโยคเดียวตรงนั้นท่านภาษาริบุตรจิใช้เปิดกว้างอยู่แล้วตอนนั้นเห็นอินทรีย์ของท่านพระอาชาชีผ่องใส นะมีศรัทธาตรงนั้นเนะี่การมีศรัทธาคือใจเปิดรับแล้วมีใจนอบน้อมเป็นในการฟังธรรฟังแค่ประโยคเดียวฟังแค่ประโยคเดียวตรงนั้นเนะีมีความเข้าใจลึกซึ้งแทงตลอดนะจนกระทั่งถึงเป็นพูดถึงกระแสแลนะแทงตลอดถึงกระแสของความเป็นสสดาบันได้เพราะว่าใจิตใจนั้นเปิดรับธรรมะหลังจากนั้นอีก15วันนะี่ยท่านพระสารีบุตรก็เข้าใจแทงตลอดทั้งหมดนะคือสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานั่นะก็เพราะวาจิตใจที่มี การเปิดรับธรรมะในการเปิดรับความมั่นใจในข้อความต่างๆที่พระเจ้าสอนเป็นคําสอนของพระเจ้าเนี่ยจะทําให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งมีความแก่กล้าแต่ความแก่กล้าความเข้มแข็งตัวนี้ของจิตใจของเราทําให้บรรลุได้เร็วเพราะฉะนั้นการที่เราจะบรรลุนั่นก็คือหมายความว่าเข้าใจธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความมั่นใจในพระพูทธพระธรรมประสงค์อันนี้มีความสําคัญความมั่นใจคือความศรัทธานั่นเอง อย่างตัวอย่างที่ท่านพระสารีบุตรมีความศรัทธาในท่านพระอาสิชิมีความศรัทธาในคําสอนมีความศรัทธาในผู้สอนในในตัวท่านพระอาสิชิก็คือหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติทีนั่นคือในกระสงค์ในคําสอนนั้นก็หมายถึงในพระธรรมส่วนในผู้สอนก็คือพระพุทธเจ้าแั่นทําไมท่านสามารถรู้ทําเห็นธรรมได้ดีในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องพระพุทธพระธรรมประสงค์นั่นคือในธรรมวิม่ในนี้พราปุทธเจ้าสอนไว้มีแต่เรื่องของพุทธตาธรระสังการทั้งสิ้น ในเรื่องมักมีองค์8อริยสัจสี่หมวดธรรมใดๆก็อยู่ในเรื่องของหมวดธรรมะตัวผู้ที่เอานําข้อมูลนี้ไปปฏิบัติแล้วเกิดเป็นความดีความงามขึ้นมาได้นั่นก็คือผู้ที่เดินตามผู้ที่ฟังคําสอนก็คือสาวกนั่นคือสงฆ์เป็นกลุ่มนี้หมูน่นี้และผู้ที่สอนผู้ที่บอกผู้ที่ให้ความรู้นั่นก็คือพุทธพุทโธหรือพระพุทธเจ้าพุทธธรรมะสังฆะพุทโธธรรมโมสังโฆเนีธธรร่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นศ ร, รัทธเป็นที่พึ่งที่จะทําให้เรารู้อริยสัจ4ี เป็นที่พึ่งที่จะทําให้เราข้ามล่วงพ้นความทุกข์ไปได้ซึ่งในเรื่องของพุทธธรรมสงตัวนี้พระพุทธ้าได้เคยพูดไปแล้วในเรื่องของการปฏิบัติบ้บางพูดไปแล้วเรื่องของการตอบคําถามบ้างแต่วันนี้ก็จะอธิบายลงไปในรายละเอียดที่บอกว่าพุทโธหมายถึงอะไรกันแน่แโดยใช้เวลาจากนี้ในะทุกๆวันจันทร์เป็นเวลา3สัปดาห์วันนี้เป็นวันจันทร์แรกถนะัดไปวันจันทร์ถัดไปก็เป็นวันันที่2ถัดไปอีกนะเพื่อนที่จะอธิบายเรื่องพุทธธรรมสังฆะ วันนี้จะพูดถึงเรื่องของพุทธาก่อนพุทธะหรือว่าพุทโธเนี่ยพุทโธเขาก็พูดกันทั่วไปในศาสนาพราหมณ์เขาก็มีชื่อว่าพุทโธอยู่ในคมภีของเขาแต่แต่ว่าพุทโธพุทธะที่พระเจ้าหมายถึงนั้นหมายถึงอะไรแต่มีความจํากัดความของอรันตะสัมมาสัมพุทโธอย่างไรแต่พระเจ้าให้คําจํากัดความอไว้แต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าอรันตะสัมมาสัมพุทะหรือว่าพุทธะหรือว่าพุทโธที่เราจะใช้เป็นที่พึ่งใช้เป็นสรณะ ใช้เป็นเกาะที่พักพำนังใจเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรเราก็ได้พูดเอาไ ว, ว้กีบวัตถุมุฟังทุกคนคงจะทราบเลยในที่เราสวดกันอยู่เป็นประจำในอิตปิโสพระวาอรงสัมมาสัมพุทโหนี่แหละนี่คือตรงส่วนที่ว่าเป็นพุทโธพุท ธ, ธะในวิชาจริสัมปันโนสุขโตโลกวิถูนะครับเหล่านี้เป็นคําอธิบายความหมายของคําว่าพรนะพุทธเจ้าในซึ่งบางคนสวดไปเนี่ยก็สวดภาษาบาลีก็ดีบางคนสวดแปลด้วยในยิ่งรู้คําแปลในยิ่งดีเลย เอาที่เข้อที่เราเรื่องไล่กันไปนะว่าคําว่าพุทธะหรือบางคนก็จะเรียกว่าพุทธคุณแต่พุทธคุณมี9อย่างจริงๆแล้วอันนี้ก็คือหมายถึงว่าคุณสมบัติกองคําว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้เนีเป็นอย่างนี้นะเ น, นี่ยมันเป็นยังไงนะเขาก็จะนับกันว่าเป็นพุทธคุณเก้ามีคุณสมบัติอยู่9อย่างแล้นะคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้คุณต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้นะซึ่งบางคนเขาก็จะเรียกเป็นพุทธคุณ นะซึ่งถ้าเราเข้าใจความหมายถูกต้องเนี่ยพุทธคุณเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณสมบัติกลองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทโธคือต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงระดับแรกที่เราสวดกันที่เราท้องกันในอิติปิโสภะวะอิติปีนะ่ะแปลว่าอะไรอิติปีเนี่ยอิติปีมันคืออะไรนะคือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหนเหตุอย่างไหนอย่างไหนที่ใครสักคนใดคนหนึ่งทํามา เพื่อที่จะมาถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะได้เนี่ยโอ้โ oh ห oh, ทจำฝังเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเหตุอย่างนี้อย่างนี้ที่ใครสักคนในคนหนึ่งทำมาจนกระทั่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เฉือนเนื้อหัวใจออกควักลูกตาออกตัดคอสละชีวิตอุทิศกายใจเพื่อที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะการบําเพ็ญบา ร, รมีต่างๆเยอะแยะมากมายบางทีต้องใช้ปัญญาอย่างมากบางทีต้องเสียสละข้าวของสิ่งของข้างนอกบางทีต้องสละอวัยวะ บางทีต้องสละถึงแม้กระทั่งชีวิ ต, ตเพื่อรักษาคุณธรรมเพื่อความเป็นสัมมาสัมพุทธิณจิตใจต้องมีความอดทนมีความห้าวหาญเข้มแข็งกล้าหาญและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากเพื่อที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุโทโธแต่ น, นไออิติปีเนี่ยไอแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันยาวนานถึงขนาดมากๆเลยละ่ะอย่าไปพูดว่า4สียสงไข่แสนหมากับมันยังน้อยไปเสียสงไข่แสนหมารกรับนี่คือหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วว่าคุณจะมาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะ เนีต่ต้องไปอีก4ี่ทรงไข่แสนมากับซึ่งอันนี้เป็นอย่างน้อยด้วยที่อย่างมากกว่านั้นก็ยังมีอยู่กว่าที่จะมาได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นสมมาสมรุรชาติก็ต้องมากกว่านั้นอีกเป็นหลายๆลาสิบเท่าเพราะไอ้ตรงอีติปีคําเดียวตรงเนี้ยแม่มันมีความหมายลึกซึ้งว่าใครเสียคนใดคนหนึ่งจะมาเป็นสมมาสมุชาได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรอย่างมากไม่ใช่ชาติ2ชาติจะมาเป็นได้แต่มันนานกว่านั้นมากหนักนานจนกระทั่งนับแล้วลืมลืมแล้วนับใหม่นับแล้วลืมอีกเป็นร้อยๆเที่ยวพ จนนับไม่ท้วนว่างั้นนะจนกระทั่งมาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาได้หนึ่งในความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธานั้นคือต้องเป็นอรหันต์อรหันต์คืออะไรอรหันต์แปลว่าไกลาจากกิเลสนะไกลาจากราคะโทสะโมหะไกลาจากโลภโกรธหลงในะโลภโกรธหลงไม่สามารถจาบทาแปดเพื่อนในจิตของท่านได้เป็นผู้ที่รบชนะม่างั้นเะนะกิเลสเนี่ยไม่สามารถจะรบกับท่านได้นะรบยังไงก็ไม่มีทางชนะว่าจิตใจนั้นไกลาจากกิเลสนะหักซี่กงรอ้อนะชนะหมดจด น่ยไม่มีใครจะต่อสู้ได้นี่คือลักษณะค ว, ว่าเป็นอรหันต์นะต่อสู้ชนะหมดนะไม่มีฆาสึกที่จะมาทําอันตรายได้ฆาสึกในที่นี้หมายถึงพวกมารกิเลสมารมจุมารเทวบุตรบาลพวกนี้จะทำอันตรายบุคคลที่เป็นอรหันต์เนี่ยไม่ได้อันนี้คือข้อที่2องแต่ ห, หลายๆท่านอาจจะนับได้9นะแต่ในส่วนตวงข้าพเจ้าเนี่ยรวมอิติปิเข้าไปด้วยนันก็จะเป็นสิบเหมือนถ้าเราเริ่มที่อิติปิอรหังนี่ก็จะเป็นข้อที่2 ส, ส่วนข้อที่ามนั่นคือสัมมาสัมพุโทโธ สามารถสัมผุโตนี่คือผู้ที่เป็นพุโทโธชนิดที่เรียกว่าพร้อมเต็มที่สมบูรณ์แบบพุโทโธเนี่ยมีอยู่หลายประเภทปัจเจกพุทธะก็มีอนุพุทธะก็มีแต่พุโทโธแปลว่าผู้รู้ความเป็นผู้รู้ความรู้ตรงนี้แต่คือรู้จิตใจของตัวเองนะจิตใจมีความรู้รู้แบบไหนแต่ถ้ารู้แบบอนุพุท ธ, ธะอนุพุโทโธก็คือว่ารู้ตามคนอื่นแต่ต้องมีคนอื่นบอกแต่รู้แบบปัจเจกพุท ธ, ธะ เราก็คือตัวเองรู้ได้ด้วยตนเองแต่ไม่ต้องมีใครบอกก็สามารถทําความเข้าใจความรู้ให้แจ่มแจ้งเกิดขึ้นในใจได้แต่สัมมาสัมพุทโตนี่คือขั้นสูงสุดที่นอกจากทําความรู้ให้ในจิตในใจตัวเองให้เกิดขึ้นได้แล้วยังสามารถบอกสอนคนอื่นให้รู้ตามได้ด้วยแต่ตรงนี้เราบอกสัมมาสัมพุทโตนั่นคือเป็นพุทธพุทโธชนิดประเภทที่ว่าสูงสุดสา ม, มารถสัมพุทโตนั้นคือรู้เองด้วยสามารถบอกสอนคนอื่นให้รู้ตามได้ด้วยแต่ความสามารถในการบอกสอนคนอื่นเนี่ยมันเหนือกว่ามาก แต่บางฝังที่เป็นอาจารย์เนี่ยคงจะทราบอยู่แต่เราเข้าใจเรารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคุณน้ำก็สอบผ่านก็โอเคแต่ว่าจะมาสอนคนอื่นเนี่ยโอ้มันยากกว่าตัวเองสอบผ่านด้วยซ้าแต่คุณจะต้องมีความเข้าใจที่มากขึ้นยิ่งสอนตัวเองก็ยิ่งเก่งขึ้นยิ่งสอนตัวเองก็ยิ่งมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความสามารถในการสอนที่ว่าจะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่เรียกว่าหาได้ยากนานๆจะมีสักทีหนมมมาาสสัพุธ นี่คือข้อที่3ามนั่นคือเป็นสัมมาสัมพุทโตข้อที่สี่คือเป็นผู้ที่มีวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชานั่นก็คือคําว่าวิชาจรณะสัมปโนวิชาในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นคือความรู้นั่นเองวิชาคือความรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอริยสัจสี่อย่างที่าฟังแต่บงคลก็จะหมายถึงเรื่องวิชา3วิชาสามนี่รู้แน่นอนแต่สาวกอื่นๆก็รู้แต่วิชาสามของพรุชานั้นมีความลึกซึ้งมากกว่าอย่างเช่นการรู้อดีตอย่างนี้ รู้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วว่าสัตว์ต่างๆทํากรรมอะไรกันมาอย่างไงแต่ความรู้ตรงนี้ของพระองค์เนี่ยไม่มีจบเลยซ้ําแล้วก็รู้ในเรื่องของอนาคตจุดตูปปาปาตญานที่ว่าอนาคตเป็นยังไงจุดตีจากนิราจะไปเกิดที่ไหนแต่ความรู้ตรงนี้ก็ไม่จํากัดในอนาคตไปได้เรื่อยๆ แ, แต่ถ้าสาวกเนี่ยจะมีจํากัดอยู่กี่ชาติกี่ชาติความละเอียดตรงนี้นไม่เท่ากันของพระุทธเจ้านี้จะมากที่สุดส่วนวิชาที่3นั่นก็คือเรื่องของอาสวัคคยาณคือความรู้ ในการทำมัสวายให้สิ้นนั่นก็เป็นวิชาที่3ที่เกิดขึ้นซึ่งความละเอียดของวิชาสาของพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดลึกซึ้งแยบกายมากกว่าสาวกทั่วๆไปมากนั่นี่คือที่ครูบาอาจารย์ได้อธิบายไว้นะพูดถึงวิชา3แต่ในวิชาตรงนี้ความรู้ตรงนี้ก็ยังรวมถึงเรียสัตซีมรกมีองแปดและความรู้ทุกประเภทที่พระพุทธเจ้ามีแต่ส่วนข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชาคือจรณะเนี่ยท่านก็ให้ความหมายพูดถึงจรณะ15 จารณสิบก็มีศีลสังวร อ, อัญชีสังวโรโภชเนมัตันยุตาและศรัทธาสติฮิริโอตปะความเป็นผู้มีพหุสั จ, จะมีปัญญามีสมาธิอะไรต่างๆแต่พูดง่ายๆคือข้อปฏิบัติที่จะทาให้เกิดวิชาัด้แหละจารณเนี่ยหมายถึงข้อปฏิบัติที่ทาให้เกิดวิชาแต่ตบูดย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่พูดในละเอียดท่านกาอธิบายไว้ถึงจรณะ15อย่างแต่พูดถึงเรื่องของศีลพูดถึงข้อปฏิบัติที่จะ ทำให้ศีนเนี่ยเป็นใบเพื่อสมาธิพูดถึงเรื่องสมาธิทั้ง8ขั้น9ขั้นพูดถึงเรื่องปัญญาตรงนี้นั่นก็จะเป็นส่วนของวิชาในะวิชานี้คือส่วนที่เป็นปัญญาส่วนเรื่องของศีนเรื่องของศีลที่จะเป็นใบเพื่อสมาธิแล้วก็เรื่องของสมาธินั่นคือส่วนที่เป็นจารณนะนั่นคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงวิชานี่คือข้อที่เรียกว่าข้อที่4ี่ในส่วนข้อที่5คือเป็นพูดที่ไปแล้วดีวดคําว่าไปแล้วดีวดนั้นกรหมายถึงโชคดี น, นั่นเองนไปที่ไหนมีแต่ความโชคดี ไปที่ไหนมีแต่ความไปดีแต่ตรงนี้เคยบอกอาไว้ว่าคนเราเนี่ยเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่ถ้ามีสติเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ออกจากที่เที่ยวไปของบิดาของตนแต่เราะนั้นถ้าเราไม่ออกจากที่เที่ยวไปของบิดาของเราเราก็เป็นคนโชคดีตัวเองไปไหนก็ดีหมดนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีสติ่เดินไปตามทางก็เดินไปตามปริยมรักมีองแเดินไปตามทางที่เป็นไปตามปริยมรักมีองแเนี่ยมันก็ไปถึงที่ที่ดีด้วยนั่นก็เรียกว่านิพพานนั่นเองเป็นที่ที่ดี และระหว่างทางไปแต่กิเลสก็ลดลงลดลงแต่าทางที่เดินไปนั้นก็ดีด้วยแต่ระหว่างทางไปกิเลสลดลงก็มีความปลอดภัยในมีความสบายมีความดีแไปไหนก็มีแต่ความโชคดีอาจจะเจอสุขเบทนาบ้างอาจจะเจอทุกขเวทนาบ้างมีบ้างแต่บางทีเจอสาวกที่ไม่ดีไม่เรียบร้อยแต่เส้นทางที่ดำเนินไปนั้นมีความดีอยู่เพราะพอไปเจอสาวกที่ไม่ดีหรือคนที่ทําไม่ดีนั่นก็มีธรรมมาคอยคุมกันและเดินไปตามธรรมเดินไปตามทาง เดินไปทางสู่ที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของตุกลักษณะการเดินทางลักษณะการไปอย่างเนี้ยเรียกว่าไปดีเป็นคนที่มีความโชคดีตัวนี้คือความหมายของคําว่าสุขโตนี้คือข้อที่5ส่วนข้อที่6นั้นก็คือเรื่องของความเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งแต่ก็เรียกว่าโลกกับวิถูรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งภาษาบาิกเขาจะว่าโลกกับวิถุรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโลกทั้ง3โลกาการมาโลกใ น, นกามาโลกก็คือตั้งแต่นรกขึ้นมา สัตว์เดรัจฉานไปวิสัยจนถึงมนุษย์เทวดาอีกหกชั้นนี่กาเรียกว่าการโลกนั่นคือโลกที่ยังเสพการ์มยังชุ่มอยู่ด้วยกามยังมีความสุขทั้งตาทั้งหูอยู่นี่คือโลกที่1โลกที่2องก็เรียกรูปะโลกคือโลกที่ไม่มีกาม RM. อยู่แต่ว่ายังมีรูปอยู่เป็นรูปที่ละเอียดแล้วก็เป็นพวกที่เป็นพรหมชั้นที่เป็นรูปประพรหมแตส่วนโลกที่สามก็เรียกว่าอ ร, รูปะโลกนั่นคือโลกที่ไม่มีรูปในรูปไม่มีก็เป็นชั้นอรูปประพรหม ก็คือเป็นสมาธิขั้นสูงที่ถึงขนาดว่าไม่มีกายละก็เรียกว่าเป็นขั้นอะรูปโลกทั้ง3อย่างนี้รู้หมดว่าเป็นยังไงมีการเกิดอย่างไรทำกรรมมาอย่างไรมีอายุเท่าไรมีอาหารอย่างไงตายไปแล้วจะไปไหนมีความละเอียดในแต่ละภพแต่ละชาติมีการเกิดการเป็นอยู่อย่างไรจะรู้ทั่วไปหมดรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้ก็จึงสามารถนามาบอกได้ว่าในโลกต่างๆที่มี ไม่ใช่มีเฉพาะโลกมนุษย์คือบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้นะท่านฟังแต่คือถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดเราไม่มีเครื่องรู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยมีเชื้อโรคอยู่ในท้องเขากลิ้ว่าผีเข้าปอบเข้าเอานี่ยมาเสกเอานี่มาฟาดใส่ชงอนั้นให้กินอันนี้ให้กินก็คิดว่าหายแั่นก็เป็นว่าเทพบันดาลอินบันดาลพรบันดาลแต่พอสมัยต่อมาเอาคุณมีกล้องจุลทรรศน์คุณก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นเชื้อแบคทีเรียประเภทนี้อันนี้เป็นนโรรคตาาาักษยอย่งี้ เออมันก็ดีขึ้นมาได้เพราะว่ามีกล้องจุลทรรศน์ทําไม่เห็นตัวเชื้อโรคแต่เหมือนกั น, น, นกถ้าบอกว่าเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่าโรคอื่นๆมันมีอยู่จริงแต่ตอนนี้พรุทธเจ้ามีเครื่องรู้ท่ามาบอกให้เราทราบเนืเ้อย่างเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์หมอเขาตรวจอ่ะคุณไปเชื่อหมอได้ไงว่าคุณเป็นโรคนี้คุณไม่เห็นอะคุณไปเชื่อหมอได้ไงเอามอก็มีเครื่องตรวจหมอก็มีเครื่องรู้นั่นคือกล้องจุลทรรศน์หรือผลลัพธที่เขาตรวจออกมาใช่ไหมท่านมีเขารู้เข้ามาบอกคุณ lemon. นืเหมือนกันุระพุทธเจ้ามีเครื่องรตวจ เรื่องรู้เรื่องตรวตงนี้ก็คือความเป็นโลกกับวิถีความที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้แล้วเห็นแล้วจึงเอามาบอกให้เราทราบแต่เรามีความมั่นใจมีความเชื่อในคาสอนของพุทธะไหมตรงนี้คือเป็นคุณสมบัติของท่านนะที่ว่าท่านมีคุณสมบัติอย่างนี้ดังนั้นจึงเป็นสัมมาสัมุติะข้อที่เจ็ในที่นี้ก็เรียกว่าเป็นครูผู้สอนชนิดที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าแต่เป็นพูดที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าคือถ้าคนที่สามารถฝึกได้แล้วมาให้พระพุทธเจ้าฝึก ผลที่ออกมานั้นมันจะยอดเยี่ยมชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเสมอติว่าเรามีคนเก่งอยู่คนหนึ่งคนนี้เก่งมากเลยแต่ทำตรงนั้นก็ได้ทําอันนี้ก็ได้คุณมาเรียนมาหาอะไรนี้นคุณจบเช้นปริญญาตรีฝึกออกมาแล้วเป็นได้ปริญญาตรีออกมามันก็ยังมีฝึกขั้นต่อไปก็เป็นปริญญาโทจอมันก็เรียนต่อแต่โอ้เก่งมากเลยได้ปริญญาโทได้เกียรตินิยมแล้วเรียนปริญญาโท ป, ปุ๊บมันยังต้องฝึกต่ออีกไงก็ต้องไปเรียนปริญญาเอกเ อ, กอกีกแลเรียนปริญญาเอ ก, เอกจอมาโอ้เก่งมากเลยไนดะ้เกียรตินิย เราก็ต้องเรียนปริญญาเอกใบนั้นทําวิจัยตรงนี้มันก็ศึกษาไปได้สมัยนี้เขสนใจเรื่องนี้ก็ควรไปทําวิจัยเรื่องนี้อีกสมัยนึงต่อมาเขาสนใจเรื่องนี้ก็ควไปทําวิจัยอีกเรื่องหนึ่งมันก็ไปอย่างเงี้ยมันไม่มีจบมันไม่มียอดสถิทีมันไม่เยี่ยมสถกทีนี่มันก็ไปตามโลกไปเรื่อยๆแต่ถ้ามาผ่านการฝึกมาผ่านการสอนมาผ่านการเรียนกับสัมมาสัมพุทธะนะสามารถที่จะฝึกออกมาแล้วได้อย่างยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมชนิดที่นียกว่าจบเลยนะไม่ต้องไปเรียนที่ไหนอีกกิจที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีีอก งานกิจนักก้นคืออะไรนั่นคือเรื่องของการที่ทําราคาโทสะโมหะให้สิ้นแต่ราคาโทสะโมหะสิ้นแล้วคุณไม่ต้องไปเรียนอะไรแล้วมันจบแล้วกิจที่จะต้องทําเพื่อทําให้ราคาโทสะโมหะน้มันสิ้นไปมันไม่มีอีกแ ต, แต่ความรู้ความเรียนเรื่องนะั้นเรื่องนี้ก็เรียนไปใช่ไหมไอ้ความยอดเยี่ยมตรงนี้ที่ออกมาเป็นความเป็นอรหันต์เหมือนกันเนี่ยตรงนี้คือความยอดเยี่ยมแต่ดิว่าไม่มีการห่วงวิชาเลยมีความรู้อะไรให้หมดบอกหมดซึ่งตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจด้วยนะว่าต้องเป็นคนที่ฝึกได้ด้วยนะมัน ต, ต้องเป็นคนที่ฝึกได้ คนที่ควรฝึกได้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนแน่นอนพระพุทธเจ้าพูกไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคุณสมบัติของความเป็นผู้ฝึกได้แต่ต่อให้บางคนเห็นพระพุทธเจ้าต่อให้บางคนได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถจะเข้ามาสู่กรองแห่งกุศลธรรมได้ตรงนี้จึงพูดไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นคนที่ควรฝึกได้ซึ่งคำพจิจารณาใจแหละถ้าท่านูฟังเปิดกลืนวิทยุแล้วยังฟังได้อยู่จนถึงบัดนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ฝึกได้แน่และเพราะว่าเป็นคนที่มันฟังธรรมะตื่นช้ามากก็ยังฟังธรรมะ ฟังได้จนถึงบัดนี้ไม่หลับปลอยไปก่อนไม่เปลี่ยนขึ้นไปก่อนเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ฝึกได้ยังน้อยมีความเพียรยังน้อยมีความสนใจยังน้อยมีสตานะพ่อเชื่อฝึกได้ถ้ามาผ่านการฝึกช น, นิดนี้ก็จะออกมาเป็นบุคคลชนิดที่ว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอนผลลัพธ์ออกมาที่จะได้รับความสุขในใจในระดับต่างๆที่คุณจะได้เนี่ยไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแน่นอนตัวผู้สอนก็มีความรู้ความสามารถนั่นคือข้อที่7จ็ดเรื่องของอนุตตรโรปุริสธรรมสารติ นั่เป็นผู้ที่ฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้ชนิดที่ไม่มีอะไรยิง่งไปกว่าต่อมาก็ที่แปนั้นคือเป็นผู้ที่เป็นครูเป็นครูของทั้งเทวดาและมนุษย์แต่พระเ้าเนี่ยสอนเทวดาด้วยสอนมนุษ ย, ย์ด้วยสอนเทวดาตั้งแต่อินตั้งแต่บรหมสอนมนุษย์ด้วยเอ๊ะทำไมสอนสัตว์เดรัจฉานบ้างเหรอในเส้นวเดรัจฉานท่านก็มีเมตตากรุณามุาารุตาอุเบกขาอยู่มีพรหมิหารอยู่แต่ซึ่งการสอนนั้นจุดประสงค์คือให้รู้ตาม คนที่จะมารู้ตามพระรุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นมนุษย์หรือเทวดาขึ้นไปในด้วยความที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกเนี่ยก็มีกรรมที่เขาจะต้องชดใช้ยไม่สามารถที่จะมารู้ตามได้แต่การสอนของพรุทธเจ้านั้นที่ยอดเยี่ยมนั้นเพราะว่าคนน่ยรู้ตามได้สามารถปฏิบัติได้จริงสามารถเอาไปทำได้จริงจนกระทั่งรู้ตามได้พยานนั้นก็มีตั้งแต่วันแรกที่มีการประกาศธรรมจักให้เป็นไปก็มีคนรู้ตามได้ไม่ใช่แค่เฉพาะอัญญาโกฏัญญาที่รู้ตามเป็นคนแรก แตยังมีเทวดามีอินมีบรมต่างๆที่ก็รู้ตามปริชาหรนะืจึงเป็นครูของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือแม้แต่บุคคลที่ไม่สามารถรู้ตามได้เนะช่นพวกที่หนามากๆคนบางคนก็หนามากๆเทวดาที่รู้ตามไม่ได้อย่างเช่นเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิก็มีหรือว่าสัตว์ที่รู้ตามไม่ได้พวกสัตว์นรกพวกสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็ยังมีความเมตตามีความกรุณาเรียกว่าเป็นครูที่ดีมากๆละ่ะนั่นคือข้อที่8 นั่นคือศัตตาเทวมนุษสาวนัง่งคือเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายส่วนข้อที่เก้านั้นคือเป็นพุโทโธแต่พุโทโธนี่เขาก็จะแปลว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแต่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนั้นกหมายถึงรู้ธรรมะในถึงรู้ในใจความเป็นผู้รู้นี้อยู่ในใจและไม่ได้อยู่ที่กายนั่นคือถ้าเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นที่กายเป็นร่างกายของสมณะโคดมนั่นคือสมัยเนี้ย ท่านนามสกุลโคตมะนะชื่อสินทัตตะเกิดในสากยตระกูลนะึกว่าเป็นกายของสมณะโคโดมั น, นี่คือระดับที่1นึน่นอกเลยนะเป็นระดับแรกแต่ถ้าความที่เป็นสัมมาสัมพุทโตจริงๆเนี่ยอยู่ในใจนะคือจิตใจของท่านตรงเนี้ยที่มีความรู้แจ่มแจ้งมีความเบิก บ, บานมีความตื่นนะตื่นจากเครื่องร้ายรัดตื่นในการที่จะมีสติอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นจากการปลุกรัฐของตันหาเปิดทําให้สว่างสวยัยดับความมืดของอวิชชาไป ความตื่นความรู้ตรงนี้คือพุทโธถามว่าคนอื่นมีได้ไหมแน่นอนทัาบฟังตัวทัมบูฟังเองก็มีพุทโธอยู่ในใจได้นั่นก็คือเวลาที่เรารักษาศีลอย่างเงี้ยแล้วเรามีความสบายใจอยู่ในใจแต่จิตที่มีความสบายนะั่นเป็นจิตที่รู้แล้วแต่ว่าผลของการรักษาศีลเป็นยังไงความรู้ตรงนี้คือพุทโธหรือว่าเรานั่งสมาธิไปโอจิตรวมลงเป็นอารมณ์มันเดียวโอ้สมาธิมันเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วความรู้นั่นแหละคือพุทโธเพราะฉะนั้นพุทโธคือพระเจ้าเนี่ยอยู่ในใจของเราก็มี นั่นคือความเป็นกายของท่านข้างนอกเลยนี่ระดับที่1นึ่แล้ระดับที่2คือความเป็นผู้รู้ในใจของสมณะโคดมนั่นคือตัวพระพุทธาเป็นกายธาตุสีน้ำไฟลมที่ส่วนหนึ่งนั่ที่ลึกลงไปละเอียดลงไปเป็นขั้นที่2คือความรู้ในใจของท่านของพระพุทาแล้วระดับที่3ที่มีความลึกซึ้งก็คือพุทโธพุทธะที่อยู่ในใจของเราแต่ความเป็นผู้รู้ที่รู้อยู่ในใจของเราตัวนี้เป็นระดับที่3ซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าคนที่จะมีพุทธะเนี่ยเป็นสาระมีพุทธะเป็นที่พึ่งเนี่ยคุณก เขาใจ ว, าว่าหมายถึงตัวพระเจาเป็นๆในระดับนอ ก, นอกๆตัวจิตใจของตัวพระผู้เาสมณโคดมของเราในระดับลึกซึ้งขึ้ น, นมาแล้วก็จิตใจเราเองที่มีความเป็นผู้รู้มีความรู้ความแจ่มแจ้งความแจ่มชัดความเป็นพุโทโธตรงนี้ในระดับที่3ามที่อยู่ในใจของเร า, เราซึ่งเป็นความบริสุทธิ์หมดจดในความพุโทโธตรงนี้ไม่มีราคะโทสะโมององหะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเพราะฉะนั้นจิตใจที่มีความแจ่มใสประพัดซ้อนตรงนี้อยู่ที่ไหนในใจของเราก็มีเพราะฉะนั้นใจของเราก็มีพุทธะพุทโธด้วยและแล้วก็สุดท้ายคือข้อที่10 ก็คือเป็นผู้ที่จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์คือเป็นพักวะซึ่งพักวาในที่นี้ก็หมายถึงมีความศักดิ์สิทธิ์มีความน่าเคารพมีความโชคดีมีความดีความงามมีความเป็นประพฤติปรมจรรย์เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรยกย่องสันเสริมเป็นสิ่งที่ควรจะทําความเคารพมีความดีความงามมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งแต่ส่วนที่ความหมายหนึ่งนั้นก็หมายถึงว่าการแจกแจงและเนื่องจากว่าพระเาเนี่ยเป็นธรรมราชา โดยความเป็นธรรมราชานี่รู้ธรรมะลึกซึ้งสามารถแจกแจงแยกแยะเปิดเผยจะนกแจกแจงธรรมะออกมาได้แต่ส่วนไหนที่ไม่ดีส่วนไหนที่เป็นขี้ริว้วเป็นกากเป็นเดนอะไรเอาออกเอาแต่เนื้อลำล้ำเอาแต่แก่นแข็งแข็งเอามาให้แจกแจงให้เห็นทําความเข้าใจให้ทราบแต่ตรงนี้คือเป็นความสามารถ เ, าเรียกว่าเป็นพักวะเพราะในคุณสมบัติของบุชาตเนะี่ยทั้งหมดแตนะ่ที่บางคนก็จะนับได้9ข้อแตนะ่ถ้าเราจะรวม etp ไปด้วยก็เป็น10ข้อ แต่ตัวต้นตัวใหญครั้งหนึ่งท่านฟังเริ่มจากเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นจึงมาเป็นพระรูชาเหตุอย่างนีย่างนี้ก็นับไปข้อหนึ่งด้วยเยอะมากแต่ข้อที่สเป็นความเป็นพระอรหันต์ข้อที่สเป็นความเป็นสมาสพุโทโธคือเป็นพุโทโธประเภทที่รู้ได้ด้วยตัวเองและวสอนคนอื่นได้ด้วยแต่ข้อที่สคือเป็นผู้ที่มีวิชามีความรู้และการที่ได้มาซึ่งวิชาความรู้เนี่ยไม่ใช่ลอกเข้ามาหรือบางคนได้รับการแต่งตั้งเพราะเด็กเส้นอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีคุณสมบัติเป คือข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชาด้วยแต่โดยพระองค์เองก็เป็นผู้ที่ไปดีนั่นคือสุขโตเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างจำแจ้งคือโลกวิถุเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่คนรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่านั่นคืออนุตตรโภพุริสาธรรมสารตินั่เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือศรัทธาเทวมนุษย์สารังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบางคือเป็นพุทโธแล้วก็เป็นผู้ที่มีความจำเนินจําแนกธรรมสั่งสอนสัตว์คือเป็นพักวะ อันนี้คุณสมบัติของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้ามีได้เท่านั้นแต่ก น, นอื่นมีไม่ได้นั้นในข้ อ, ข, อข้อต่างๆเหล่านี้สาวกอาจจะเป็นอรหันต์ได้สาวกอาจจะเป็นพุโทโธได้พุโทโธประเภทที่เรียกว่าอนุพุท ธ, ธะนั่นในข้อที่กาวที่พูดถึงความเป็นพุโทโธเนี่ยคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานสาวกก็เป็นพุโทโธได้แต่เป็นอนุพุทธโธอนุพุท ธ, ธะตรงนี้เป็นได้แต่เป็นผู้ที่เป็นอรหันต์ได้ตามพระพุทธเจ้าได้สาวกอาจจะเป็นผู้ที่ไปดีด้วยก็ได้นไปด้วยดีก็คือมีสติไป เดินไปตามทางเดินไปตามมรรคอันนี้ก็อาจจะเป็นได้แต่คุณสมบัติอื่นๆอย่างเช่นมาเป็นผู้ที่สอนในอย่างที่ไม่มีใครยอดเยี่ยมไปกว่านี้เป็นของบุระชาเท่านั้นเป็นผู้ที่มีความจาเริญจําแนกทำสั่งสอนสัตว์เป็นพระกวายอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครจะมาเป็นธรรมราชาแตุ่ระเ้าได้แต่เป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุโตอันนี้คือจบเลยเป็นของพระเจาเท่านั้นนสาวกมาเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นในคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นพุทธคุณหรือเป็นคุณสมบัติของความเป็นพุทธะพอเราระลึกถึงงแล้้ววเนี่่ใใหมมมคาััจฝ ให้มีความมั่นใจว่าถ้าเมื่อไหร่มีกิเลสมาท่วมทับถาถมให้เอาตรงนี้แหละเป็นติพึงให้มีความมั่นใจว่าถ้าเมื่อไหร่มีกระแสแห่งตัณหามีกระแสแห่งวิชาที่มันมาท่วมทับในชีวิตเราทำให้เรามีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นบาให้เอาตรงนี้แหละเป็นติปึงให้ระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้เราจะมีความสบายใจมีความเย็นใจให้มั่นใจให้มีความสบายใจเพราะระลึกถึงพุทธะจาหวังให้มีความสบายใจให้มีความเบาใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราระลึกถึงพุทธะพระเจ้าเคยบากไว เหมือนกับการที่เราเห็นยอดธงในยอดธงของเหล่าพระอรันยังมีคนเคยพูดว่าผ้าเหลืองนี่ผ้าย้อมน้ําฝากเนี่เป็นธงชัยของพระอรันเราเห็นยอดธ ง, งตรงนี้หนึ่งในยอดธงนั้นคือพุทธให้เป็นที่พึ่งให้มีความมั่นใจพอเราเลึกถึงพุท ธ, ธแล้วความกลัวความกังวลความหวาดระแวงความอดสัน่นขวัญแขวนความหวันไวไปตามสิ่งต่างๆมันจะหายไปเราจะมีความสบายใจให้เราเลึกถึงพุท ธ, ธคุณตรงนี้ คือคุณสมบัติของความเป็นบุรุษชาไม่ใช่ว่าจะมีง่ายๆทังนฟังนานๆมากๆ ก, กว่าจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมัยนี้มีไหมยังมีอยู่ชื่อเสียงของบุรุษชาที่ว่าอิติปิโสภควาอรังสมาสพุทโธยังกระชอนมาถึงตุกวันนี้ทาให้เรายมาพูดถึงตรงนี้ได้เพราะยังมีคําสอนของท่านอยู่คําสอนของท่านนั้นก็เปรียบเสมือนตัวบุรุษชาตมาอยู่เป็นๆต่อหน้าเราแต่ตัวเป็นๆ เ, เราอาจจะไม่เห็นแล้วเหรือแต่ธาตุเขาเผาไปแล้วแต่ ว, ว่าความเป็นพุท ธ, ธะความเป็นพุโทโธ ความเป็นสัมมาสัมพุโทโธยังอยู่ให้เรารู้อยู่ให้เราศึกษาอยู่ให้เราสัมผัสได้ด้วยพุโทโธที่เกิดขึ้นในใจของเราเราวิจารณ์เห็นแจมแจ้งไม่ใช่แค่เข้าใจทางผ่านตัวหนังสือแต่ให้มีความมั่นใจให้มีความเชื่อให้มีความลงใจในคุณสมบัติของพระบุตรชาตรงนี้ให้มีความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระองค์ในคุณสมบัติที่ท่านธรมาจนบ่านนี้เราจะมีความมั่นใจในตัวผู้สอนเราจะเกิดความรู้ขึ้นในใจมีความแน่ใจว่า พระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธะจริงๆตรรมนีข้าพเจ้าพระหมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่า ด, ดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนเทพยนพรอ